เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปหรือเสียงลินรถเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากกายมันเป็นอาการที่ออกจากใจใ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแกประพฤติที่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 ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเจินเรามาวัดนงประโภควันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเราบังก็แปกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควร น, นั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัต เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นวายโอมที่มากาบนักการวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโภคแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนหรือเเปลี่ยนด อ, อก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็คลายสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่ อ, อารามาศจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ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 ก็เดี๋ยวการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาพีนาเกศาโลมาณฑาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแก่เป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสารละเป็นความจริงอไอ้ความเป็นจริงจริงทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎ ม, มีกฎของธรรมธาตุ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 ผมที no aan, ่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ลายไปทั้งหมดทั้นนั้นเน่ยสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ําก็เป็นน้ําไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หากเกาะกำบังให้เห็นก้อนอตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา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 เช่นนี้เป็นต้นเพราะอ น, นัันเป็ น, เ ป, นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัตาร์เมื่อเราได้อบรมจิต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 ว่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> เมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจ า, ยารณาทที่จิตทมปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว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 ม, มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจจามันก็บมดไปอนัตตามันก็ตั้งเห็นมามเมื่อเห็นก้อนอนัตตาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเป็นของไม่เจตัวต้น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 ปฏิบัติธรรมะให้กระทัด ร, รัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายดีได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบ mm hmm. เมื่อจิตสงบ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 อยาเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนีก้ก็มันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี้ก็อยากไปโ น, โน้นบางทีก็อยากเล่มากเมื่ออยากเรยมากก็อยากเรยน้อยเมื่ออยากเรน้อยแล้วก็อยากเร่ร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอนิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศา ส, สดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่จะอยู่ที่อื่นอืมไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานผิจารณาทุกชาติทุกภาษาังนั้นทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับรทธิรทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจิธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกีบตายทุกๆุกภพชาติเป็นอยู่อย่างเนี้ยอืเป็นต้นที่นี่เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณายุที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตะกิดเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามชะภาวะของเขามมนอยู่ใต้อำนาจของใครอย่งนั้นเนี่ยดัยงนั้นพุทธศาสตร์ศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย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 มันก็ดเป็นภพมันก็ดเป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไ อ, อ้ความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยาคาวจรเกิดทุกข์พเห็นว่ามันสินอย่างนั้นพอเห็นว่ามันตินอย่างนั้น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 ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเข้ามากรือกายกับใจดังนี้เราโยมทั้งหลก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการตายเป็นอย่างไงก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วม่ไม่แน่นอนถึงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเบื่อที่ปิตาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนี่พิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางคนทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม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 เมื่อเห็นโทษของ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาในลูกในนามนี้แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัตฏสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดด้ก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตาย อ, อีกเพราะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัตฏะสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทำชอบ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 มีความสุขขึ้นมาก็สั ก, กว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่รีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันที่ น, น, นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตร์ศาสนาที่สนอนมาเอโกธรรมโอจบลงตรงนี้นี่ฉะนนั่นขอคณะทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก รู้ผิดนั้นก็เอาไปพินาาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพินาก่อนพระผู้ทรงท่นานว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทกก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อประรับปัญญาอืีดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานวัตการในวัดนบฮวงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก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 อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้สองเรื่องเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเดียวประเทวาทูตอ น, นั้นให้พ้นจากประตาสงสารต่อไปนั้นพูดจุนการปฏิบัติให้มันกระทัดรัดง่ายข้าไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจารณา ก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามไม่นานอืให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาอืคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนาอ ะ, อะไรก็จริงเถอะมันศึกษาเพื่ออาชีพอมมันศึกษาเพื่ออาชีพจะ สำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกก็จริงแต่ว่าหลักวิชาความรู้มันก็ดีอยู่ถ้าเราประพฤติให้มันถึงความจริงมันปริญญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ญาตาิปริญญากำหนดรูหรือการรู้ ภาหาระประ็นภาหาปริญญาไม่ใช่ว่าอืฉนันเรียกตัวการอะหารเจดิตทั้ทงหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบไปนหนึ่งอะคนเรียนกฎหมายนนเนี่ยเนี่เรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความจเจริญเจรามคนนั้นถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์ มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็เอาที่สา p r o b ไปตรงนั้นนะเพื่อจะแก้อย่างงั้นอืมเรียนเพื่อจะทําลายกฎหมายอืมไม่ใช่ทําให้กฎหมายสมบูรณ์อือันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมเรียนไปยังงั้นก็เรียกว่ามันนั้นไม่เกิดประโยชน์มันทําลายประโยชน์ในไหนที่จะมีประโยชน์ไปทําลายที่ไม่ประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควร อันนี้ก่าเหมือนกันอืมไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเท่านั้นี้อืมมันเป็นโลภียาวิสัยมันก็หมุนไปตามโลภีอ ย, ยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกันทำกับพูดพูดไปอย่างนงการกระทาก็ไปอย่างง จิตใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดกับเธอดีๆแต่ว่าจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะเงะงัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่าคือเอาความชั่วมาประกาศเปลี่ยนไอความดีนั้นต่อไปไม่ไหวไม่ได้มันก็เป็นโลกเราฉะนั้น มันถึงยากลํำบากอยู่การบวชคือปรางทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังอืเราก็ต้องั้งใจฟังฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนั่นแหละอืที่เรามีปัญญาฟังแหละมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกถ้ามันไม่ถูกเราก็เก็บไว้เพื่อพิจารณาต่อจะละมันออกไปเสีย ธรรมันถูกงแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อบําเพ็ญให้ความสมบุรณ์เกิดในตนวของเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นะอืมอันนี้โดยมากมันก็อื น, นึกว่ามาบวชกันโดยมากขัตราสาที่มาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งทำไมยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนึกว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบาย กัมาเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบายไม่ต้องไปทำ ง, งานอะไรทรั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนอย่างนี้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วถึงเวลาจิตจวัตรเกิดขึ้นมาที่หลวงจะต้องทำกันเขาก็ต้องทำเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักผ่อนกันไม่ต้องไปทำอะไรกับเขามันผิดเห็นเป็นอย่างนี้จ้ะ มาครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทําการงานกิจวัตรตอนเช้ามาก็ไปจับคนมาตอนเย็นก็บวชให้อุปชาจะต้องําบากสอนไปตั้งแต่ณโมอืมตลอดทุกคำไม่ดูเรื่องนี่ไม่มาบวชก็จะมาศึกษาการบวชหน้าที่ของอุูบาศุขหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควร จึิงใจหนักอกหนักใจกับอุปชาอาจารย์เง้นทีนี่จึงบวชกันมีเหตุผลเพราะงกวนอย่างนั้นบางทีมันก็ยังคุมไม่ไหวใช่ด้วยไอคนไม่รู้มันก่ไม่อะไรเนอะอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ยนาบอกว่าท่านจงทำไม่มงี้นะเขาก็ทำไปท่านจงกระทาอย่างนี้เขาก็ทำไป ตามเรื่องเคขาขอพระว่าความคารวบครูบาอาจาราย์กระทาไปย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันมีเหตุผลกันมากอืทำวันนี้เพื่ออะไรอืโคตอย่างนั้นเพื่ออะไรเรามันมีปัญญานะี่งปัญญาอะไรกอะไรมีเหตุผลกันทั้งนั้นอะไรก็ไม่ต้องทํางานอะไรกันจะต้องมาถกเถียงเหตุผลแต่นในมันชอบซะก่อน ที่นี่ถ้าควรหากว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบตรงที่ตรงไหนนะอืมเลยไม่ได้ทํางานอะไรกันเนี่ยโควติยงเรื่องเหตุผลฉันตลอดเวลาเท่านั้นนยุ่มไม่ต้องทำงานงานอะไรอย่างนี้ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่เป็นว่าเราจะไม่สอนมากอืมเราสอนเสียงว่าเป็นว่ากระโถนไใบนี้มันตั้งอยู่นี้อีกสองนาทีก็แล้ว ให้ท่านยกกระโจนม า, น, มานี่มาตั้งไนี่เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ทำยกกระโจนม า, น, มานี่มาตั้งไปนี้เมื่อตั้งนี่แล้วอีกสองนาทีก็ให้ท่านยกกระโจนมานี่มาตั้งที่นี่เท่านี้นะ่ะเออไม่ต้องถามหาเหตุผลมาเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเล ย, อ, เลเลยอันนี้มันจะนันนี้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วเนี่ยอแต่เมื่อทําครั้งแรกก่อใจของคนเราก็เดิมมันไม่เตือประโยชน์อะไร ยกกระโถนไปนี่มาตั้งที่นี้ยกที่นี่ไปตั้งที่นี่เท่านี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้จะปลดจิตใจของเราอืมเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึงอืมเราเข้าใจไม่ถึงเช่นว่าบุรุษบุรุษสีไฟมีมีไม้ไผ่สองซี่ นี่ก็ไอความเป็นจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั้นอืมอ่าบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั้นมาสีไฟเขา้าอืมจนกัวให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้นจนมันร้อนจริงจริงนะจนมันเหนือร้อนเป็เกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมา เมื่อควมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะอผู้ดูนั่งกอดสีทับไปทีเรื่อยไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่เนี่ยธรรมชาติกันนั้นอที่นี้ศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอท่านว่าไฟอยู่ตรงนี้มีนะอืมดูเอาไม้ไผ่สองที่มาสีทันบไปที่เดี๋อไฟมันเกิดผู้ดษนั่นเลยยินยังงั้นก็เอาไม้ไผ่มายัดจะได้ไฟนี่ที่ท่านเรา่าสีไฟสีไฟสัตว์เปลี่ยตัวเนะ ความเกลียดพานในความลำพานต้องเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยอืมก็นึกใจลำคาญใจอดทนไม่ได้เหนื่อยเปล่าอืมก็เห็นว่าไฟหนึ่งก็เลยหยุดเนี่ยแต่เพราะว่าอาความร้อนมันยังไม่สมรุ่นกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันก็นลยตื่นบุรุษนั้นก็เข้าใจไปแล้วอยากจะให้มีไฟเ ร, เร็วๆแล้วเหนื่อยแล้วลำคานอะไรแล้วนี่แหละอืม ก็หยุดจากการสีไฟนั่นเอมเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟไม่มไอความร้อนมันไม่สมรุ่นกันมันก็ยังไปเกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอการไอความเพียรเ็า้นไม่ถึงแค่จะตรอยทุระอ น, นันตเพียงไปนะอันนี้บาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีมรรคผลมิพานก็ไม่มีทนดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ไปทำอยู่แล้ว บางคนทําชั่วในที่คนเยอะไปบางคนทําดีแต่ชั่วคนเยอะไปบางคนทําอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันเนี้อ่าอันนี้คือ ร, รู้ไม่จริงอันนี้นอิจมันไม่มีสักถามก็ปล่อยวางเนี่ยมันทนมันไหวคือทุกข์มาเนละยบริสุทธิ์ไฟมันทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาโควาน้องปาท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนกลับกันแล้ไว่าทุกข์ก็จบนั่นแหละคือทุกข์ ทุกันแหละจะทำให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกนั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเลยคิดอืมมันจะเลยคิดมันจะได้พิจารณาหาความจริงมันอืมผิดไอ้ความผิดนั่นแหละมันจะทําให้ถูกอืไอ้ความผิดมันจะทําให้เมื่อเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูก เมื่อถูกกันแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแนคะ่เขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเหมือนสวิลล์ไฟฟ้ามาทํากันมาฐานแล้วตะโกนเซลล์ไฟ้ันพลัดมันจ้าเป็นมาเลยนี่เขาชอบใจอย่างเนี้ยทีนี้เมื่อเมื่อเขาจะปิดมนันก็จะปิดเซลล์ไฟฟ้าทงหมัรับครับนี่เขาชอบกันอย่างเนี้ย อ, อันนี้มันเป็นความเห็นของคนง่เป็นความเห็นของคนมีตัณหา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 เมื่อเหตุดับแล้วผลก็จึงดับอันนั้นเขาไม่ต้องการเหตุเ้าจะทำให้มันเกิดขึ้ น, นตามใจเคราะอันนี้มันไม่ได้ธรรมะมันก่ตามใจคนที่ผิดธรรมะมันต้องอเป็นสภาวะที่ถูกต้องถ้าทำที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาคัามันถ้ามันถูกต้องแล้วแล้วามถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองอ ม, มีความถูกต้องทุกอย่างการกระทำที่ถูกต้อง อการพูดที่ถูกต้องการคิดอการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นแค่นี้เขาจะมาปรุงเอาเขามันจะแต่งเอาให้ตามความอยากของเขานั่นเองอ่ะอืมมันก็เป็นไปได้ยากที่นั้นการบวชที่นี้มันก็เรียกว่าอืมบวชกันให้มีเหตุผลเนี้ยสักนิดหนึ่งจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากัน อือสัควรมาบวชอะไรเพื่ออะไรบวชวันนี่มันไม่ได้อะไรนะอือมันได้อะไรไอคนที่โง่มันก็ไม่อยากจะทิ้งความชั่วจะชอบปิดความชั่วในใจเราเนี่ยมไอธรรมะ ช, ช่วยเปิดออกช่วยเปิด้เห็นความชั่วเปิดเห็นความผิดอืมเนี่ยไอผู้ต้องชนคนหนาะเราช่วยปิดความชั่วช่วยปิดความผิดของตัวเรา ไม่ใหใครรู้เ น, นี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนมีจิตหยุดกันหาอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเ ะ, ะนั้นคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธาที่เรียกว่าศรัทธานี่ยังก็พูดจากเหมือนกันตอนเชื่อถือกัอมีความเชื่อถือในสิ่งนั้นมีความเชื่อถือในสิ่งนั้นผู้เห็นว่าชอบแล้วได่ ที่เห็นว่าชอบแล้วเรื่อการการะทำเช่นนี้เราจะต้องทอําอยู่ซะก่อนนั่จะต้องทำอยู่ซะก่อนในการกระทําทของเรานั้นเช่นว่ายกกระโถนไปนี่ไปโนู้นจาดกระโถนไปนี่กลับมาหนี้นี่ก่อนไม่ต้องทําอะไรเราใครทานี่ก่อนเถอะเนี่ยให้ค้มคว้าอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาถามเลยยังรเรื่องนี้เรื่องนั้นยังไม่ไม่ควรศึกษาให้ท่านศึกษาว่าเอากระโถนไปนี้มาตั้งนี้แล้วก็ยกไปนั่น นี่ก็จัดมาตั้งนี่นี่หน้าที่ของท่านอยาพึ่งถามไปเช่นบุรุษที่หิวข้าวก็อยากจะทานข้าวก็มาทานข้าวทานไปเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงในเมื่ออะไรมันจะอิ่มเมื่อแดงจะหายหิวเนอะอันนั้นอยาพึ่งมันเลยให้ท่านบริโภคทานอาหารนี่เรื่อยๆไปเถอะอืออย่าไปเพื่เอาอนาคตนั่นมาใส่มันเลยการทานข้าวของท่านไม่หยุดน่เองมันจะพบความดี เดี๋ยวมันจะพบความหายหิวของท่านขอให้ท่านทานอาหารนี้เรื่อยๆไปสั้นนั้นพอแล้วมไม่ต้องถามวาเมื่อไรพบจะอิ่มเมื่อไรผมจะหายอหู่อันนั้นไม่มีปัญหาเ่ยทำไมไม่มีไม่มีปัญหาการกระทำเช่นนี้การบริโภคนี้น ะ, ม, นะมันจะเป็นเหตุให้เธอรู้จักการพอรู้จักการอิ่ม ให้มีความหายหิวกระหายในการบริโภคอาหารนั้นได้ในตองไปกันวลในเมื่อไรคงาจะอิ่มเมืม่อไรเขจะหายหิวอันนั้นไม่ต้องแล้วการกระทำเช่นนี้มันจะบอกเองบรมิโภคก็นั่งทานอาหารไปเรื่อยๆไปแคนั้นแหละที่ท่านฆ่าไวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใช่ไใช่ไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความทุกข์ ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันก็หมายความว่าเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการถ้าไม่ได้แล้วก็ววทุกข์เท่านี้เองอืมไอความอยากจะได้นะี่มันเป็นตัณหามันเป็นตัณหาแขนงหนึ่งเกิดมาจากความหลง น, น่ะอืมคิดว่าต้องการอยากจะได้คือที่มันได้ในทางพุทธศาสนานได้ได้เกิอละไม่ใช่ได้แบกไว้ถ้าแบกไว้มันหนัก มันได้คนในอย่างแต่ชื่อมนัน อ, อันเะดียวกันต้องการอยากจะถึงความสงบอยากได้ความสงบถ้าอยากได้ความสงบนั่นนะมันต้องวางนะอยากได้ความเบามันต้องทิ้งขานไม้ที่เราแบกไว้ทิ้งหนักนี้เมื่อเรามื่อเราทิ้งงินไปมันก็เบานี่เดียวว่าอยากได้ความเบานันก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ย ไอคนเราเดี๋ยวนี้มันไ ง, งมันอยากได้มันเอามาแบกไว้ก็เอามาแบกไว้แต่มันอยากได้เบาอืมไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปนัญหาอย่างนี้อืมท่า พ, พุทธเจ้าสอนนะปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อไม่ให้แบกไว้เนี่ยก็เพื่อให้ว่างคำที่ว่าแบกเนี่ยคือตัวอุปท า, านนะี่ยนะมันยึดทางใจไว้มันยึดไว้ถ้าเนี่ยทําไปเพื่อหากว่ามันทุกเกิดขึ้นมาท่านก็รู้เขาทุกันนั้น เดี๋ยวกพิจารณาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์แต่รู้จักทุกข์แต่เราไม่เป็นเจ้าของทุกข์อาการทุกข์มันก็มีอยู่เห็นว่าทุกข์อันนี้มันก็ไม่แม่มันเป็นอันหนึ่จังทุกข์ขังอนัตตาอย่างนี้ือมันก็ระลายไปนในตัวมันนะืมมันมีความสุขอาการสุขเกิดขึ้นมาแล้วพอพิจารณาว่า เจ้าของสุขไม่มีมีแตสุขสุขนี่มันก็ไม่แน่สุขนี่มันก็ไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันไม่คงเส้นคงวาอะไรแต่ว่าอาการที่มีสุขอาการที่มีทุกข์นั้นมันก็มีอยู่แต่มีนอกใจเราแต่เราไม่ไปแบบแต่ไม่มีใครไ ป, ไป เ, นนนน เ, รเป็นเจ้าของสุขอันนั้นทุกข์อันนั้นเเป็นเจ้าของอไไม่ได้ ถ้าเป็นเจ้าของมันมันก็จะทุกข์เพราะอะนั้นมันไม่แน่นอนอืมวันนี้เราชอบใจพวกนี้ไม่ชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดอะไรมันทํำไมมันมีมาแล้วก็รู้มันนะเมื่อเรารู้มันเช่นนี้ปัญหามันก็หมดไปนี่ปัญหาจะนอยไปอืมอาการสศกทุกข์อะไรเดี๋ยวนี้แล้วทำไมวิ่งกันส่วนโางทีเมัยมันก็อยู่องั้นเรื่อยๆนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้ว ให้เราศึกษาอย่างนี้ไม่ว่า ม, มันจะมีอยู่ที่นี่ก็ช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นก็ช่างมันอืมอย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้นะ่ะมันไม่กายอยู่เวกถ้าหากว่าเรามาบมําเพ็ญธรรมเนีิยมเสวียนฮะกา ย, ยู่เวกออกก็อยู่ในปาน่าลบที่วุ่นวายออกมาอยู่ในปาน่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในป่าแล้วมันสบายแล้วก็แล้วกันน่ามาฝึก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 ให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกระดิทูต่างหากวืาไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราไปชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นในธรรมะนี่ยมันเป็นความริงมันตัดกะระแสก็มันเรื่อยๆไปอืมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยๆมันไม่ขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นนะนะ มีแต่ใจของบุคคลไปขึ้นต่อธรรมะอันแ ท, แท้จริงคือความจริงอย่างนั้นจริงบวชจึงให้มีความหมายเนี่ยเพราะสมควรพวนันนี้ดูดิโยมก็ดูทีว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูจริงนะเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยเนี่ยเนี่ยแล้วโยมดูต่อปีวะไอ้คนรวยน่ยมีสุขไหม มันหมดทุกเรื่วยอย่างนี่มันเห็นๆกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไี่คือทุ ก, กับสุขนะหรือทุ ก, กับรวยนะจะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นต่ออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกแล้วนะนะถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันกว่าทุกนะ มันจะเป็นคนไม่มีมันก็ทุกข์แ้ๆก็ตายเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เดี๋ยวหรือคนมันใช่เนี่ยมันคนเนียนกันมันคนเนียนกันเด็กก็ช่างมันคนแก่ก็ตามมันมันคนเนียนกันแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกข์ได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกข์ได้เนี่ย มันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไม่ตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยายอย่างเนี้ยอืมอันนี้มันเป็นของไม่แน่เหมือนกันแต่ความทุกข์มันแตกต่างกันตอนนั้นใช่อืามทุกข์แตกต่างกันเนนชนเ่นว่าเช่นว่าไอ้ไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมเลยนะอุ้นั ถ้าจะมาเออแบกนี่ไปส่งให้นวัดเนี่ยนะี่ผมเอาไปไม่ไหวเลยนะถ้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะอนะอันนั้นก็ทุกพอสมควรแล้วแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุจาแบกเลยใครแบกได้ก็แบกเอาถ้าก้อนเพชรก้อนนี้แหม่โยมจะจองมาคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังก็จ ะ, จะแบกถูกไหม ทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำํำนี่ถ้าอะไรอะไรเลยเราไม่ชอบแล้วไม่ถึงขนาดนะนั้นเนาะเนี่ยสักห้าหกกิโลนี่โยมก็ไม่ไม่ก็ไม่ต้องการไม่ผมหนักผมอะไรต่ออะไรทาวาเป็นก้อนเพชรใช่โยมเอานี้ฮะนี่โฮมจะไม่อยากใครมาช่วยมันจะแบง่งมันจะเป็นมีส่วนแบง่งแต่ว่ามันหนักเท่ากาันความทุกข์มันจะหน้าหน้าความทุกขมันจะจะต่างกัน ต่างกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรกับก้อนหินธรรมดานั่นนะ่ะอืมน้ําหนักมันก็เท่ากันนะออืแต่ธรรมชาตินั้นเอาของใส่เข้าในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นนะ่ะออันอันหนึ่งเอาไปใส่ไว้ในธรรมชาติไปใส่ไว้ในก้อนหินมันต่างกันอมืมันเป็นเจินนั้นน้ําหนักเท่ากันแต่ว่ามันมันหนักตัวกันเพราะมันเป็นที่กิดของโยม แล้วก้อนยิ้มไม่มีราคาให้ก้อนเพ็รมันมีราคาโยนกับชอบนะกกทนมันอยู่ที่ินไปกลุ่มลับใช่ไหมใช่ไปยึดมันอุปทานมันไหมมันอืมอืมจะาขอชอบใจเขาอยากได้มากๆเขาไม่ชอบจะนิดมน้อยกว่ า, ายาวให้ผมมากเลย <c ười> ทำไมลนะนั่ก็เป็นอยงนี้เรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็น เะนั้นท่านจงมาพิจ า, ารณาคือว่ามันปลุ ก, กจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้นพิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกอยากอย่านเนี้ย น, น, นะเอาออกอยากขึ้นพูดง่ายๆว่าโยมกำลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสัก ประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่แต่มีพระมีพระเดินไปไม่มีใครเดินไปโยมบาทนั้งนี้รืออ้อเสือเนี่ยจงก็นึกว่าเขาจะพูดเ้ราะล่ง น, นะตั้งก็ชวนบาทนั่งนี้รืออ้อเถออทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมานทิงโยมก็จะเชิญเ๋นะเนี่ย จนกว่าไอ้ไอคนคนนี้น่ะจะให้เหตุผลในโยมหรือว่านหลังเนี่ยจะหาคนอย่างไรมามาพูดให้โยมเข้าใจจนมีศรัทธาหรือบ้านหลังนี้ได้นี่นทิฏฐิมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกลับหลายกันมันก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเท่านั้นน่ะมันยึดมันมั่นอยู่ฉะนั้นทิฏฐิทิฏฐิมานะของคนเนี้มันเป็นของยาก ไดเบิดภูเขาปลูกตัวโตๆมันก็เร็วกว่าอืมีกเขาผลหินไปขายเนะี่ยยังไม่กี่ปีมันก็หมดภูเขาแต่คนนี้ก็มันเอาออกอยากอ่า ม, มันไม่ยอมละอันนั้นทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นนะ่ยมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่รู้แจ้งเมื่อไรก่อนโยมก็นึกดูแลกแกันถ้าใครมีใครมาชวนรื้อบ้านโยมจะคุณดูไหม แต่คนเดียมาชวนรื้อบ้านเนี่ยมีเหตุผลเพียงใดเราจึงจะื้อบ้านตรงนี้นอันนี้อันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปเพินาด้วยเรื่องพิธีอันเนี้ยพิธีมรณนะที่เราถือไว้เนี่ยที่เรายึดไวเนี้ยว่าตัวเราว่านี่ของเราทั้ง น, นี้นะไม่จริงไม่จริงอย่างง่ายจึ้งขวมันจิตนี่มันจิต ฟังทําจนหินมันเปลี่ยนพิจนาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอืมเปลี่ยนไปจนกาหนดพิจณ า, าเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงๆอืมบัดนี้คนคนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้นดิละน้อยดิละน้อยจนกว่ามันจะหมดตั้ง เมอาได้คิดมันก็เปลี่ยนไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนไ ป, เ ป, นไปเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ, ๆจนกว่าจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ตน้นไม่ใช่ตัวไ ม, ไม่ใช่เราไอ้เจ้าของของเราเนี่ยมันก็เห็นในยากเห็นในลําบากบางคนยังไม่ฟังช่างก็อันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานะ่ยังไม่ได้ยิน น, ะ <c oughs> นันึกวมื่อไรเลยยินเฉยๆใจมันเข้าไปกกดื้อิดไม่พอไป ธรรมะท่านจะว่าเป็นของซึ่งไม่ใช้ปัญญาอืิปัญญาอันนี้ปัญญานี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาุมาจากปัจจัยอืมปัจจัยมันน้อยเหตุมันน้อยในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันในอาดีตอดีตที่เป็นมาแล้วมีบากมันจะกว่าวกับปีนี้เป็นกรรมเป็นกิเลสแต่เป็นบีบาก ที่เราสร้างสมอบรมไวในอภิตกาลบ้างในปัจจุบันนี้บ้างมันน้อยคือเราไม่ค่อยๆได้ศึกษามาันเช่นว่าท่านในพิจารณาเรื่องกรรมาฐานนี่นกรรมาฐานเกาโลมานะคาตันตาสา จ, จงแล้วคนไม่เห็นง่ายๆเพราะเราไม่ศึกษามาันบ่อยเรามีความรู้สึกมืดคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกินมาเรื่องเป็นอนิจจังแล้วก็พูดถึงอนิจจังแต่ความจริงน่ะ พูดแต่ปาดมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดอืมเรื่องปัญญามันจะเกิดถ้า ต, ต้องนึ่งได้ฟังสองได้คิดสามได้ภาวนาสามะระดับนี้เคต้องติดตามเราอยู่เสมอนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทาอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิริยาลํพธ์ปลาแล้วความเพียรอยู่เสมอเพื่เอเพื่ออันนี้เป็นเหตุ เช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้ ก, กับการรู้ทำแล้วแต่อยู่ห่างไกลนักปราชญ์ห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลผู้แนะนํารําสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนินชาไปก็ได้<ม>อืเนินชาไปก็ได้<ม>ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนินชาแต่ว่าใกล้ครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิต ท, ทั้งหลายที่จะนี้นํารําสอนอยู่ในเมืองไอคนคนนี้อาจจะไปก่อน ไ, ได้ มันหามใกลกันมั น, ม, นมันเป็นเพราะอันนี้อันนี้ท่านในวบากวิปากาธรรมมาการสมาคมมีส่วนการครบค้าสมาคมมีส่วนมีมีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะโลมีส่วนจะให้เหตุผลเ้าด้วยไปเช่นว่าเราคิดดงก็ได้ เรื่องสมาคมทั้งนอกเราทําให้กลมเกลียวสามาคีกันถ้ามันกลมเกลียวสามาคีกันปีพีนน้องๆในชนบทนั้นนั้นก็จะเจริญขึ้นนี่ส่วนหนึ่งยืนเล่นนั่ง น, น, นอนปราศจากความทุกข์ดินน้ําไฟลมนะมีสมรรถภาพสามาคีพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราคล่องอืมอยู่สบาย ไม่ปวดหัวตัวร้อนเรวเทียบมาในจีวรหิน เ, เนีย่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คืกอกลุ่มในกายจิตของเรามีดินน้ําไฟลมนี้ถ้าหากว่าลมมันมากน้ํามันน้อยอืมนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เดีย๋ยกว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเพเดียวนี่เรียวว่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสามัีซึ่งกันในกันอืมอันนี้เ็เหมือนกัน อ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมรุนบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อายแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบ ม, มนันเกิดเกิดขึ้นอย่นี้เช่นว่าเขานินทาเราเราก็เสียใจเขาเชิญเสือเราเราก็ดีใจเนี่ย เมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็อวิ่งกับสุขวิ่งกับทุกวิ่งกับความดีใจวิ่งกับความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่กับโรกตลอดเวลาเนี่วัดตักสงสารเป็นวัดตาวนมีความสุขแล้วสุขหายไปทุกก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมา ตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปอืมเมื่อสุกหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็แค่ไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บัางไปสวรรค์อยู่บ้าง อ, อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบ ม, มันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าสุก เลือทุกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่อไรว่าไอ้ไอ้สุกนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงวาถ้ายกเห็นเช่นนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุก์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 เนี่ยโยมต้องให้โยมรวมกันมาเลยโยมกลมรวมกันทำมารยมกับถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็เดเป็นทุกข์มัอนกันกระถูกรูปสอนเขาอยู่ด้วยไปไม่มีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาพวนโยมให้โยมกับพิจารณาอืมกับพิจารณาเช่นว่า น้ำเราไปตามน้ำทีท่นะยังไม่เรบ่งมันหรอกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เก็บมันก็ยงงอยมมันก็ลำพานลำพานเดี๋ยวมันจะกิดอยู่นั่นแหละโยมจะดูที่แท้จริงก็จะก็เพราะอาการอย่างนะเย็นวันหนึ่งโยมไปโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้นดูให้ขนาดซะดูให้ดีซะ จะเห็นหนามอีกตรงนั้นเนื้อบุ่งเอาหนามพราวเอาหนามนั่นออกเนี่ยไอพ่อความเจ็บปวดเช่นนั้นห้โยมพิจารณาไปถึงตัวจริงมันนี่คืออะไร